อันพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็คมพกกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในหัวข้อว่าพุทธบูชามหาเถระวรรตุเป็นธรรมดาคําว่าธรรมดาก็เพราะว่าอาตมาเองมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งก็หวังว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิง ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเหมือนกันนี่สิ่งสําคัญที่องค์สมเด็จพระวิชิตตมังกรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าความสุขที่มีมาได้เพราะอาศัยความสามัคคีเป็นปัจจัยเวลานี้ภัยกําลังมีสมัครบ้านเราขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทุกหมู่เรา ผู้เป็นคนไทยคำว่าไทยนี่หมายความว่าไม่ใช่ทาสเพราะยังตั้งอยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถคือความสามัคคีโดยองค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงตรัสเป็นพุทธภาษิตไว้ว่าสุขสุขาสังฆัสสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ชนย่อมประกอบสุข หมายความว่าเราจะมีความสุขขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความสามัคคีเป็นปัจจัยถ้าเราไม่แตกแยกกันแล้วไทยเราจะทรงคงรักษาประเทศชาติของเราไว้ได้ด้วยความสุขการเป็นไทยดีกว่าการเป็นทาสบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์เรายอมรับนับถือความจริงกันดีกว่า <c oughs> ตามที่ลูกนี่เขาจะบังคับเจ้านี่ไม่ให้เอานี่นั้นไม่เป็นการสมควรท่านดีดีแล้วก็จะหาทางผ่อนผันจากเจ้านี่ดีกว่าบังคับแม้ไม่เอาเขาตรวงนี้คืนเพราะว่าทรัพย์สินของเขาเรานํามาแล้วอันนี้องค์สมเด็จพระประทีปแก้วทิว่าถ้าเราไม่ใช้เขา เราบังคับขอให้เขามอบให้แก่เราก็ถือว่าเป็นการโกงเป็นอาทินนาทานนี่เป็นการสร้างความร้าวรานทําลายความสามัคคีให้พินาศไปถ้าคนไทยเราไม่มีความสามัคคีกันแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเราไม่มีโอกาสจะมาเดินได้แบบลอยนวลถ้ารัฐที่อื่นเขาเข้ามา <c oughs> <c oughs> ทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าทั้งหมดจะเป็นคนจนก็ตามจะเป็นคนรวยก็ตามต้องเป็นของรัฐเราก็เป็นได้เพียงลูกจ้างของรัฐแล้วเขาก็จะให้กินเราจํากัดให้ใช้จํากัดเวลานี้เราจะจนแสนจนประการใดก็ตามทีเราก็ยังมีอิสรภาพในเงินทองที่เราหามาได้ วันไหนที่ขี้เกียจไม่ทํางานก็ได้นอนพักตามสบายภาระหน้าที่อย่างอื่นเข้ามาแล้วไส้ก็ถือว่าคนที่ไม่ทํางานไม่มีประโยชน์ดีไม่ดีก็จะกลายเป็นปุ๋ยไปอะบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายถ้าหากว่าท่านนั้นหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรก็จงช่วยกันรักษาความดีเอาไว้ ล่มเกลียวกันเข้าไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะไม่เป็นทาสของใครไทยจะเป็นไทยไทยจะมีความสุขปราศจากความทุกข์เวลานี้เราจนเราถือว่าทุกข์ถ้ามีคนเค้ามาครอบครองเราใหม่เค้าเป็นเจ้าเป็นนายเค้าจะไม่มองเห็นความจนของเราเราจะไม่มีปากมีเสียงในสภาจะปฏิบัติตามเค้าว่าเท่านั้น ครั้งหนึ่งที่เราเคยตกเป็นทาสของพม่าเขาบังคับเราทุกอย่างเงินทองที่หาได้เราก็ต้องส่งให้เขาแต่สมัยต่อไปนี้ยิ่งร้ายไปกว่านั้นทรัพย์สินทั้งหลายที่เราหามาได้ต้องเป็นของรัฐนี่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องดีกว่าไม่อยู่อย่างทะเลาะกัน ยาวตัวไปเป็นหมูให้บุคคลอื่นเค้าทําไมเอาล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้มาพูดกันเรื่องพุทธบูชามหาเตชวันโตต่อไปเป็นอันว่าท่านทั้งหลายคงจะคิดแล้วว่าอาตมานี่คงจะไม่มีเรื่องอะไรจะพูดมีเรื่องพูดได้อย่างเดียวคือความดีของพระพุทธเจ้าการบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอํานาจ แต่ความจริงมันท่านพุทธบริษัทอาตมาจะพูดแบบนี้ไม่หยุดเลยเรื่องกว่าจะถึงอายุ 100 ปีหรือว่าครบ 100 ปีแห่งการพูดเรื่องของพระพุทธศาสนาก็ไม่จบแม้ว่าอาตมาจะเกิดมาสักกลับหนึ่งแล้วก็นั่งพรรณนาเรื่องราวของพระพุทธศาสนามันก็ไม่จบ <c oughs> ที่นําเรื่องของพุทธบูชามหาเตชวัณโตมาพูดโดยข้อข้อก็เป็นวข้อเดียวแต่ว่าเรื่องไม่ซ้ํากันพระญาให้บรรดาท่านพุทธบริษัตรทุกท่านว่าถ้าเราบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเป็นความดีมีความสุขคําว่าศาสนาแปลว่าคําสอนที่เขาบอกว่าศาสนาเป็นยาพิษเป็นยาเสพติดนั่นไม่เป็นความจริง ศาสนาไม่ใช่ยาพิษเป็นยาเสพติดที่ทําลายโรคคือโรคแห่งความเบียดเบียนซึ่งกันและกันโรคสร้างความทุกข์โรคสร้างความเดือดร้อนพระพุทธศาสนาสอนให้เลิกเสียให้แสวงหาแต่สิ่งที่มีความสุขด้วยความจริงถ้าเราจะเป็นโรคมีความสุขโรคมีความสวยโรคมีความร่ํารวยอย่างนี้โรคแบบประเภทนี้มันก็น่าเป็น เราเป็นโรคแบบนี้เรามีความสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอมั่นดาประชาชนชาวไทยจ้ําพากันเป็นโรคมีความสามัคคีดีกว่าเป็นโรคแตกความสามัคคีเวลานี้ก็เกือบๆอยู่แล้วแต่เมื่อเวลาที่พูดนี่มันพูดตนเข้าไว้ดีไม่ดีขณะที่พูดนี้เรื่องใหญ่มันอาจจะเกิด มันมีคนบางกลุ่มก็กวนความสงบสุขของประเทศชาติทั้งๆที่ตํวดทหารตระเวนชายแดนอยู่ชายแดนต้องรับกับฆ่าศัตรูและภายในก็ก่อกวนความยุ่งยากขึ้นมาจึงเอาทั้งประชาชนกลุ่มหนึ่งคนไม่ไหวตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อเป็นการต่อต้านเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสุข เอกราชของชาติไทยอาราธนาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าจะพูดไปก็เป็นเรื่องของบ้านของเมืองแต่ว่าบ้านเมืองสันหลายพระก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเปิ้นอันว่าต่อทีนี้ไปมาคุยกันถึงว่าการบูชาองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสุขกันดีกว่าวันนี้ก็จะพูดกันในเรื่องนางวิสาขา ยังไม่จบเรื่องนางวิสาขาขาจริงๆจะพูดให้จบเนี่ยมโหมันต้องหลาย 10 ตอนเนี่ยตัดมาเป็นตอนสั้นๆสัก 5 6 4 5 ตอนหรือบ่ 5 6 ตอนก็พอจะจบที่จบนี่ก็พยายามจบไม่ใช่ว่าจบเรื่องของนางทีเดียวเรื่องของนางนี่มีมากเหลือเกินแต่เป็นด้านของความดี เซนโตอย่างของมนดาท่านพุทธบริษัทที่จะแสวงหาความดีได้วันนี้มาจัดกันในตอนที่เรียกว่าพุทธบูชามหาติจวันโตการบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชมีอํานาจทําให้มีเครื่องประดับบรรดาเครื่องต่างกายสวยโสตรสวยงามเป็นกรณีพิเศษ นางวิสาขามีเครื่องประดับกายราคาตั้ง 16 โกดในสมัยที่นางวิสาขามีอายุได้ 16 ปีหรือว่าใกล้จะ 16 ปีปรากฏว่าท่านธนัญชัยตะเสถีได้รับตําแหน่งหน้าที่เป็นพ่อตาคือเรียกว่ามีคนเข้ามาขอนางวิสาขา เป็นปัญญาเวลานั้นนางวิสาขามีอายุได้เท่าว่า 16 ปีแล้วก็แต่งงานมาอายุ 16 คลอดบุตรอายุ 16 ชักแปลกใจเหมือนกันดีไม่ดีนางอาจจะแต่งงานถ้าพอย่างขึ้น 16 ปีก็แต่งงานเลยก็ได้นี่ตามบาลีท่านว่าไว้อย่างนั้นกันเลยไม่ขัดใจท่าน ก็แปลกใจว่าทําไมถึงเรียงไม่แบบนั้นน่าจะเรียงไม่ว่านางวิสาขาเนี่ยได้รับการทาบทานตั้งแต่อายุ 15 ปีพออายุอย่างเข้า 16 ปีก็แต่งงานเพราะกันมีแต่งงานแล้วตั้งครรภ์เดือนนั้นเมื่อตั้งครรภ์ระยะใกล้เคียงการทรงครรภ์อยู่ของเด็กในครรภ์ต้องถึง 10 เดือน ที่เรานับกับ 9 เดือนนี้นับเอาจังหวะที่หญิงขาดประจําเดือนแต่ความจริงมันต้องผ่านมา 1 เดือนแล้วนับเอาจุดนี้ไปเป็น 9 จุดก็เรียกว่า 9 เดือนแต่ตามพระบาลีท่านบอกว่า 10 เดือนเนี่ยถ้าแต่งงานในอายุ 16 ปีก็ต้องแต่งตั้งแต่วันเริ่มตั้งอายุ 16 ปี ต้องมีการทาบทามกันตั้งแต่อายุ 15 ปีมาในตอนนี้ที่นางอิสาขาจะแต่งงานปรากฏว่าบ้านของอิสาขาจัดเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่เรียกว่าเมืองสาเกตมีคนมากนี่บรรดาท่านบิดาผู้เคารพคือท่านธนันชัยเศรษฐีจึงได้จัดการจัด เครื่องแต่งตัวให้แก่บุตรสาวมีมูลค่าระยะราคาประมาณ 16 โกด 16 โกดสมัยนั้นก็ลงเอา 0 เติมเข้าไป 3 0 มันเป็นเท่าไหร่จาก 1 ล้านแล้วก็คูณได้ 16 เป็นเงินเท่าไหร่ก็คิดกันเอาเองเห็นจะเป็น 16,000 ล้าน แยกเลยแม้ไวยไหวเครื่องประดับประดานั้นท่านกล่าวบอกว่าหาได้สักเส้นหนึ่งก็ไม่มีแต่ส่วนใดที่จะเป็นได้ก็ใช้เงินทําเป็นเส้นได้เพิร์นเป็นทองคํา yeah, 100% ประดับประดิษฐ์แก้วมณีซึ่งมีค่ามากยิ่งประเภทถึง 20 ชั้นนานประดับประดิษฐ์แก้วประพางเจ้าอินทนนิงแก้วอะไรถ้าแก้วอะไรมันทั้ง 7 แก้วจําไม่ได้ จำได้ก็ขี้เกียจพันนาเป็นเสื้อคลุมเธอเป็นเสื้อคลุมคลุมคุยมาถึงข้อเท้ายาวถึงข้อมือแล้วก็คุมทิศะข้างโคนิสะเป็นนกยุงลําแผนประดับประดาไม่ได้เพชรนิลกินดาหลากหลายและค่ามากมายท่า 16 โกรธในเครื่องทรงที่แต่งเป็นกรณีพิเศษเครื่องทรงนี้มีน้ําหนักหนักมาก นางวิสาขาเป็นประโสนาบันเมื่อนางเป็นประโสนาบันแล้วท่านบอกว่ามีอะไรล่ะมีกําลังของนางนี้เท่ากับช้าง 16 เชือกเอขอโทษเท่ากับช้าง 7 เชือกหรือ 6 เชือกแต่ว่าช้าง 6 ตัวหรือ 7 ตัวนี่จําไม่ได้เอาเท่ากับช้าง 7 ตัวก็แล้วกันเอาแรงของช้างเต็ม 7, 7 ตัวเข้ามารวมกัน เท่ากับ 1 เทแรงของนางวิสาขาแล้วก็มีหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นทาสของนางวิสาขาคือหญิงเพื่อนน่ะลูกของเจ้าบ้านเป็นบรรสูดาบันเหมือนกันมีกําลังเท่านางวิสาขามีเสื้อตัวนี้ของนางวิสาขาที่มีชื่อว่ามหารัตดาประสาทมีวินางวิสาขากับหญิงเพื่อนคนนี้คนเดียวเท่านั้น ที่จะยกขึ้นคนอื่นยกไม่ขึ้นเครื่องบรรดาบรรดานี้สวยมากเหลือเกินบรรดาท่านพุทธบริศัติบรรดาท่านหญิงท่านหลายฟังแล้วอยากได้บ้างมั้ยเครื่องบรรดาแบบนี้ความจริงพวกเราจะมีสร้อยสักเส้นหนึ่งจะมีเพชรสักเม็ดหนึ่งจะมีเพชรสักพวงหนึ่งบาดนี้มันก็แสนยากหามาได้ความลําบาก ไอ้เครื่องประดับของนางอิศราขายเจ้าแก้วมณีเท่านั้นตั้ง 20 ทนานแล้วก็มีแก้วประพันธ์มีเพชรนิลจินดามีอะไรอีกมากมายนักไอ้เครื่องเสื้อทั้งตัวเป็นทองคําล้วนส่วนที่เป็นได้ใช้เงินแหม่ท่านได้มาเวลานี้เสร็จขายเลี่ยม รวยมหาศาลเฉพาะเสื้อตัวเดียวตอนนี้เมื่อเวลาที่จะแต่งงานก็ปรากฏว่าท่านธนัญชัยตระเสถียได้อัญเชิญพระเจ้าประเสณนาธิกโสลให้พระองค์ทรงเสด็จมาเป็นประธานพระเจ้าประเสณนาธิกโสลก็ทั่งว่าทหารกองเกียรติยศโครมราชให้ไปเป็นส่วนตัวและให้ไปเป็นกองเกียรติยศ กองเกียรติยศเต็มก็เป็นจาตุรงค์กษัตริย์นาคือทัพ 4 เหล่าท่านแต่พราหมณ์ชายและเศรษฐีพ่อคือนามิสาขาก็บอกว่าขอให้พระองค์มาเต็มกองเกียรติยศถ้าพระพุทธเจ้ารับได้หมดเมื่อพระเจ้าประเสณนาธิกุศลมาแล้วก็ปรากฏว่าเครื่องประดับของนามิสาขาทํายังไม่เสร็จต้องรออยู่ถึง 3 เดือน เลี้ยงกองทัพ 4 เหล่า 3 เร็งก็ลองคิดดูด้วยว่าคนนับจํานวนแสนที่พระเจ้าประเสณาทีโกสลนํามาก็ตั้งค่ายไปให้อยู่ตั้งบรรพราเป็นที่ประทับเด้อคนของบ้านนามิสาขาก็มากมายเป็นหมื่นที่ปรากฏว่านามิศพ่อของนามิสาขารับหยุดและก็ไม่หนักใจเรื่องการเลี้ยง เงินทองไม่ยุบนั้นนอกจากนั้นมันนําไปสาขาแต่งงานและนอกจากจะมีเครื่องมหาราชาประสาทปรากฏว่าของที่เข้านําให้นามิสาขาไปใช้โชคราวพ่อให้ไปใช้ที่บ้านพ่อผัวแม่ผัวก็อยู่กับผัวโชคราวก็ให้เท่าไหร่ทราบมั้ยก็ให้แบบนี้ให้เงิน <c oughs> รหัส 500 เล่มกวีนนี่โชคคราวนะถ้าไม่พอมาเอาไปใหม่ได้ให้ทองคํา 500 เล่มกวีนให้ภาชนะเครื่องใช้สอยที่เป็นทองคํา 500 เล่มกวีนภาชนะที่เป็นเงิน 500 เล่มกวีนภาชนะที่เป็นทองแดง 500 เล่มกวีนอย่างนี้เป็นต้น even อันไม่อย่างละ 500 เล่มควรเนี่ยโอ้โหมันเท่าไหร่กันแน่ถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างจะเป็นยังไงนะครับผลดินน้ำมีสาขาได้อย่างละ 500 เล่มควรน่ะถ้าไม่พอมาเอาใหม่ก็ผลจากการถวายสังฆทานณบรรดาท่านพุทธบริษัทหากว่าบรรดาท่านผู้ฟังประสงค์จะมีทรัพย์มากอย่างนั้นบ้างก็ ฟังตัวอย่างที่กล่าวมาในวงก่อนพรรณวิสาขาร่ำรวยได้เป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีใหญ่เพราะเพราะว่าถวายทานแด่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาพร้อมไปด้วยประสงค์ที่เรียกกันว่าถวายสังฆทานในเวลานี้เราก็ถวายได้พระองค์สมเด็จพระวิชิตมรรณนิพพานแล้วก็ตามเวลาเราถวายสังฆทานก็มีพระพุทธรูปเป็นประมุข จิตใจตั้งนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นเป็นประธานพร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้รับทานเป็นกำลังอย่างนี้ก็จัดเพราะเป็นสังฆทานแบบนั้นเหมือนกันถ้าใจดีขึ้นไปอีกนิดก็มากันสร้างวิหารทานบริหารการเปลี่ยนตามแต่ที่เราจะมีทุนสร้างคนเดียวไม่ไหวก็ช่วยกันสร้างหลายๆคนก็มีประโยชน์ จะเป็นวิหารทานใหญ่ญาณที่บรรดาท่านพุทธบริษัตรทั้งหลายมาทอดกฐินพ่อป่าความจริงกฐินหรือพ่อป่าก็อยู่เฉพาะที่ผ้าเท่านั้นส่วนยาตุปัจจัยที่ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัตรทุกท่านนําไปถวายพระอันนี้กล่าวว่าเป็นปัจจัยเพื่อวิหารทานถ้าพระท่านใช้แบบนั้น ในกัณฑวะแห่งถิ่นมะป่าเป็นสังฆาถานพร้อมด้วยวิหาราถานจึงมีอนิสงส์ใหญ่ดีไม่ดีเราจะรวยกว่านางวิสาขาซะอีกให้พูดกันด้วยความจริงใจอันนี้มาพูดกันเนื่องว่าทำยังไงหนอเราจึงจะมีเครื่องบรรดับสวยสดงดงามอย่างนางวิสาขาได้บ้าง ดิขอบรรดาท่านพุทธบริษัทลองฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงโปรดพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้ในเวลาพูดเรื่องของนางเวสขาเป็นตอนๆพูดจริงทั้งหมดมันไม่ไหวเรื่องของนางนี่ยาวมาก กล่าวว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าการที่นางวีสาขามหาอุบาสิกาเป็นประโยชน์ดำบันดาลคนดีหรือว่าได้ขึ้นมหารัฏฐาไปส่ายคนดีทั้งนี้ก็เพราะว่านางมีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเป็นต้นมา อ่าสายินามีสาขามีพุทธบูชาเป็นปกติคือบูชาพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยจะทําอะไรก็ตามนึกถึงถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ที่เราหัดฝึกกันว่าภาวนาว่าพุทโธอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเอตปิโสภควารหังสัมมาสัมพุทธะหรือสัมมาอรหังอะไรก็ได้ในห้องพระพุทธคุณ แก่นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบธิ์ 9 ด้วยไม่ใช่ว่าภาวนาว่าพุทโธอย่างเดียวจะสร้างความร่ํารวยให้เกิดขึ้นความจริงภาวนาว่าพุทโธก็รวยเหมือนกันพอตายเป็นเทวดาและมีทรัพย์สมบัติมากกลับมาก็มีเป็นมหาเศรษฐี ยังไม่ใหญ่เท่านางวิสาขานี้นางวิสาขานี้พุทโธด้วยถวายสังฆทานด้วยจึงช่วยให้เป็นลูกของมหาเศรษฐีใหญ่ตัวนางเองก็เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ด้วยด้วยอานาตบุญบารมีทั้ง 2 ประการควบคู่กันไปเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัตรทั้งหลายเวลาแม่งใกล้เข้ามา นามผู้เกิดถึงว่าการได้เครื่องมหาดนดาประสาทเครื่องบรรดับพิเศษในสมัยองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์มีพระชนอยู่สาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งเป็นสาวิกาคือผู้หญิงมีเครื่องมหาดนดาประสาทอยู่ 2 ท่านด้วยกันคือนางวิสาขามหาบาสิกาท่านหนึ่ง กับพระนางมณีกาเทวีเอกอัครมเหสีของพระเจ้าประทุมสรรเพนทิโกศลองค์นี้แล้วมี 2 ท่านด้วยกันเพราะว่าจริงทั้ง 2 นี้ทําบุญมาสมํ่าเสมอกันการให้ทานก็สมํ่าเสมอกันไม่แพ้กันแต่ความจริงการให้ทานไม่ได้แข่งขันกันต่างคนต่างมีศรัทธาเหมือนกัน อานาตนี้สําหรับท่านดีท่านหญิงที่ได้เครื่องมหารัตนาประสาทมีคราบสงสิทธิ์ 6 โกรธนี้ได้มาจากไหนเราก็ต้องหาเหตุหาผลกันเพราะนั้นว่าในพระพุทธศาสนานี่มีเหตุมีผลองค์สมเด็จพระทศพลทรงเทศไว้อย่างนี้จึงกล่าวว่าถ้าสตรีผู้ใด ไม่เคยถวายผ้าตรายกีวรไว้ในพระพุทธศาสนากล่าวว่าท่านผู้นั้นยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใดเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปจะมีเครื่องมหาราชาประสาทเช่นเดียวกับนางเวสขามหาอุบาสิกากล่าวว่าเป็นผู้ชายไม่เคยถวายผ้าตรายกีวรไว้ในพระพุทธศาสนา เมื่อเวลาที่พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีความเลื่อมใสขออุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงปรัสว่าเอหิภิกขุติแปลว่าเจ้าจงเป็นภิกษุมาเถิดเพียงเท่านี้ ก็จะมีผ้าตรายจีวรสําเร็จด้วยฤทธิ์รอยมาจากอากาศสวมลงไปในร่างของท่านคนนั้นโดยไม่ต้องหาซื้อผ้าเพราะในสมัยนั้นหาซื้อผ้าก็ยากแถมยากเพราะไม่มีพ่อค้าขายผ้าตรายมากมายเหมือนสมัยนี้เหล่าบรรดาท่านพุทธบริศท<อ> กาลีนามิสาขามหาอุบาสิกามีเครื่องมหารัตนาภสาดปรากฏว่าเป็นเครื่องประดับพิเศษและอีกองค์หนึ่งก็คือท่านมณีกาเทวีเอกอัครมเหสีของพระเจ้าประเสณทีกุศลมีเครื่องมหารัตนาภสาดเป็นเครื่องประดับก็เพราะอาศัยได้เคยถวายผ้าตรายจีวรไว้ในพระพุทธศาสนา เวลานี้บรรดาท่านพุทธบริศัพย์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าก็เคยทํากันมาเป็นปกติเช่นการทอดแกถิงก็ดีการทอดประปาก็ดีการถวายสังฆทานก็ดีท่านหลายก็มักจะถวายผ้าไตรจีวรไว้แก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่างทั้งนี้ต้องจัดเป็นการถวายสังฆทาน การถวายสังฆทานนี้มีอานิสงส์มากตามที่กล่าวแล้วจรณทากว่าท่านทั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระปฐพีแก้วที่เรียกว่าพุทธบูชาคือบูชาความดีของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามถ้าโอกาสจะพึงมีกับบรรดาท่านพุทธบริษัท แล้วก็ซื้อผ้าตรายจีวรถวายเป็นสังฆทานไว้ในพระพุทธศาสนาก่อนจึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงจํากัดว่าต้องถวายเป็นสังฆทานท่านบอกว่าเคยถวายผ้าตรายจีวรไว้ในพระพุทธศาสนามีคําว่าถวายสังฆทานเฉพาะผ้าตรายจีวรนี้อาตมาพูดเอง อันนี้เพราะว่าการถวายสงฆทานมีอานิสงส์มากมากกว่าการถวายเป็นปาฏิบุคคิยสทานถ้าเรามีผ้าเพียงเดียวประสงค์จะให้แก่บุกขะที่มีความจําเป็นจะต้องใช้คือตั้งจัดการกันเองตัวอย่างเช่นในสมัยพระองค์ทรงตรัสไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีประชชนอยู่ ทนนานคีส Vega Kottami", ทอพ้าอจิ ...วน ถวัย พระภูทiej жามพึ้นหนึ่ง เป็นพ้าเนื้อละเอียดมากกลอได้เองและถอพ้า aunt จิวนเขัยเป็น จ...วน เวือนเองและประสงค์ถวัยถวัย概นันพอองค์ประสงค์ retail ately พระสงค์ค์ทุก้าจริงพระภูท meille จริงจริงจริง dakuma ทรเอีย ō พระสงฆ์ทั้งหมดก็ปรากฏว่านั่งเรียงแถวตามลำดับอาวุโสไม่ใช่ตามลำดับยศพระพุทธเจ้าไม่ทรงนิยมยศถือว่ายศเป็นโลกธรรมตามลำดับอาวุโสของพระพระวนังกิสาโคทมีทรงให้พระองค์พระองค์ก็ส่งรับองค์ก็ส่งให้พระสารีบุตรพระมหคัลลา สงฆ์พระสาลิบุตรพระสาลิบุตรก็ส่งให้พระโมคคัลลาพระโมคคัลลาก็ส่งต่อๆกันไปจนถึงองค์สุดท้ายได้แก่ท่านอชิตตะภิกขุเป็นองค์สุดท้ายไม่รู้จะให้ใครก็รับไว้วันนางกีสาโคทมีเสียใจว่าปั่นได้เองทอผ้าเองเย็บเอง พระท่านนายจะถวายแก่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้ากลับรับแล้วส่งให้พระอื่นร้องไห้เสียใจอ๋อสําเร็จไปจอมตรายังได้ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสแก่พระนานานางว่าการถวายแก่พระองค์นั้นมีอนิสงส์มากกว่าจริงแหละแต่ถ้าว่าเป็นปาฏิบุคคริยสถานเนี่ยผ้ามันมีผืนเดียว จะให้เป็นสังฆทานโดยเฉพาะแบ่งแก่คนละผืนหรือคนเครื่องผืนมันก็ทำไม่ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมตายจึงให้ผ้านี้เป็นสังฆทานเสียโดยส่งให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรส่งให้พระมุกคลาพระมุกคลาส่งต่อๆกันไปถึงองค์สุดท้ายคืออจิตตะภิกขุญาณนี้จึงพระทุกองค์ได้รับหมด แต่ว่าไม่กำหนดนำมาไว้เพราะตัวมีผ้าใช้พอแล้วสำหรับองค์สุดท้ายเนี่ยไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านมีผ้าน้อยเกินไปชาวบ้านไม่ค่อยนิยมนักจึงมีโอกาสรับผ้าไม่ได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าเป็นสังฆทานและองค์สมเด็จพระพิชิตมานยืนให้กล่าวทานตามที่กล่าวมาแล้วว่าการถวายทานแก่พระพุทธเจ้าเอง 100 ครั้ง ก็มีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทาน 1 ครั้งนิรันดร์บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการนําพระธรรมเทศนาในพุทธบูชามหาเตชบันตูการบูชาพระพุทธเจ้าย่อมมีเดชมีอํานาจมากเมื่อมาว่าเราจะปรารถนาเรื่องประดับมากมายมีค่ามากๆอย่างนาวีสาขาก็ปรารถนาได้ อาราธนาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องของนางมีสาขาบูชาพระพุทธเจ้าได้ขึ้นได้เครื่องมหาราชาประสาทเวลานี้ก็ปรากฏว่าหมดเวลาเสียแล้วก็ได้สัญญาณบอกเวลาปรากฏขึ้นก็จะต้องขออาราธนาบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนขอความสุขสวัสดิ์จงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน หากว่าท่านมีความประสงสิ่งใดก็เขาให้ได้สิ่งนั่งสงความประทนาจงทุกโรยการสวัสดี